بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين و ا ع ع و ا ن إلا على الظالمين و ص ل ي و س ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ا ن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ن ا ن اللهم إ ل ط ن ل غ س ن ا كم نافقين เมอาหร่ที่านิสหสันดานพฤติกรรมของกลุ่มอกสะ ป, ปลักกับกอเพื่อเป็นอุทาหอในพ้ศรัทธาได้หลีกเลี่ยงจากลักษณะพวกเขาและ ต, ต่อจากนี้ีนอยะที่สิบสิบสองนี้ก็จะพูดงึงลักษณะผู้ศัทธาพวกเชตตอนนี้เป็น เขาอยู่ในเครื่องนี้นะอันนี้ผมเคยเจอนะไปเคยไปรักษาที่อีบไปรักษาคนยินเขาแล้วก็ผมก็จะเปิด์สู้ตัวบักร้อนตัวกระพวกเราใช้พวกเรารุ่นรุ่นผมมัใช้เทปนะจำได้ไหมเขามีเครื่องสตอริโอสตอริโอใหญ่เลยนะตัวเบอร์เบอร์กร้อนเนี้ยเบอไม่ได้ผมก็อ่านไอ้กุลซี อนไอกูสีเป่าใส่ปม่ได้เออก็เอาเอาเรื่องเงินมันเข้าคนยิงได้เลยเครื่องจะเข้าไม่ได้นิ่งจะว่าอคนอ่านนั่นจะได้เป็นค้่มูลชีวิตของผู้สื่าสังเกตว่าคูอมูนเครื่องไปฟ้าต่างสิ่งที่พึงต้องพึงระวังคือไม่ทำจุดดี๋ด คื่อมือจะเสียและสิ่งที่ควรทำจะได้ออจะได้รักษาคุณภาพรักษาพยุทำ ง, งานของมันคู่มือส่วนก็เป็นอยาตามที่เราได้อธิบายไปแล้วเรื่องการศึกษาเรียนรูน้อานเราจะต้องผูกพับกับกับการพูดอ่านในฐานะที่เป็นคู่มือชีวิตที่จะทำให้เราได้เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เปลนปลพติกรรมอนเดียเราเปลี่ยนแปลงความคดเปลีนแปลงเป็นสัดา์เปลี่ยนสัดา์เปลี่ยนสิ่งที่เคยชินแม้นว่าสิ่งที่เคยชินเนี่ยในสังคมเขาจะเขาจะยอมรับชื่นชมก็ด่าเราเราจะยึดเอาอัลกุรอานเป็นเป็น หลักสําคัญแต่ก่อนนู้นจะมีมีหนะครับที่ผู้ถึงอเรื่องหนึ่งหนังนี่เขาเล่าเรื่องนักศึกษาคนหนึ่งจะชอบแต่งตัวดีๆมากเลยไปไปมหาเลยต้องแต่งตัวแบบหรู้ๆเลยคระแล้วไปมหาเลยนี่ก็จะนั่งรบเพื่อนรู้รูๆหรือก็นั่งซี่เนี่ยให้คนรู้เออเขาเขามีฐานะจนกระทั่งเพื่อนผู้หญิงเขาคนหนึ่งเนี่ยก ตกลุมรักเออว่าคนนี้เนี่ยโอ้โหเท่หนูแต่งตัวทั้นแต่สินใจว่าจะเออจะสืบดูเขาเป็นอย่างไงนั่งทักที่กับบ้านเขาก็เลในนังสีตะปรากฏว่าเขาก็อยู่บ้านเขาบ้านคุณจนแล้วก็เวลาเขาออกไปนอกบ้านไปซื้อของเนี่ยแต่งตัวแบบบา้านธรรมาดาธรรมาดาเขาก็เลยไปถามว่าทำไม เขอบอกว่าฉันไม่ไดีโกกแต่ฉันประดับประดาให้สวยงามมันกลายเป็นวลีเลยนะในสังคมบางอย่างที่คนในสังคมเขาทาเพื่อประดับประดาภาพลักษณ์ของตัวเองซึ่งภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ที่แก่นแท้ของชีวิตของตัวเองแต่นั่น แต่เพื่อให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับในตัวเขาตันนี้เราก็เห็นมันชัดเจนการแต่งแต่งตัวแบบแฟชั่นการพูดเดีย๋ยวนี้แม้กจะง้องยอมที่จะกูะยืนเป็นนี้เป็นสิงจะไปซื้อมือถื อ, อรุ่นล่าสุดเนี่ยเพราะแค่ใช้ต่อหน้าเพื่อนๆ น, นี่นะอันนี้ก็ถือว่าเอออัพเกรดลนะจันเป็น เป็นคนที่มีสถานะในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยกเป็นที่ยอมรับยิ่งถ้าใส่อะไรที่มันแบรนด์อะไรแบบเนี้เขาก็บอกว่าอันนี้ม่ได้โกหกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมือถือที่ราคามันสหมื่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับห้องพังที่เขาเข้าเดือนละพันอย่งเนี้ยมันไม่มันรู้เป็นเป็นไม่บิ๊กซ็นดันไม่ไม่สอดคล้องกัน่ะ เสือ้อเสื้อที่เราใส่เนี่ยราคาห้าพันหรือหมื่นนึงอย่างเงี้ยมันมันไม่เข้ากับมันไม่เข้ากับรถเมืองที่เขานั่งมันไม่เข้ากันนะหมายถึงว่าถ้าจะเอาความสบายเให้มันสอดคล้องกันแต่เขามองว่าความนสำคัญในการที่จะให้คนนับถือเขาตอนนี้เขามองเขาเพราะคนเขาไม่ได้นั่งรถมีกับเขาหนิคนเขามีไม่ได้มาอยู่ห้องพักกับเขาหี่ แต่เวลาเขาโชว์ตัวในสังคมเนี่นมนตือด้วยของแบรนด์อันนี้เป็นสิ่งที่เขายก เ, เขาอยู่อันนี้เขาอยู่ในหมาอะไรกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นชั่วโมงครึ่งวันอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่งรถเมล์ด้วยกันไม่ได้อะไรด้วยกันอย่างเี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันไม่ไดีไม่ไ ด, ไมไดีโกหกนี่ฉันแค่ประดับประดาให้ดูสวยงามให้ดูเท่ให้ดูดน่าสนใจช่วงนั้นมันก็กลายเป็นเป็นวลีที่คนเขา อ้างกันอ้างกันทุกทุกเรื่องเออทาอะไรเนี่ยให้สังคมคือให้าสายตาของสังคมนี่พอใจให้ให้เขาเนี่ยเออส บ, บายใจมองแล้วสบายใจแต่ส่วนเขาเขาเดือดร้อนอะไรแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สำคัญแล้วผมติดตามเปัญหาเรื่องคอเซ็นเตอร์นี่เนี่ยเป็นเรื่องดีแท้ๆตั้งนั่นเลยั้งนั่ลยหรือความโล คนที่สือหวยอีกทังนั้นเลยอยากหวยกันเล่นเนี่ยทันั้นเลยคนเศรษีที่ทำการเก่งมีรายสูที่เขาซื้อหวยนัวนะแล้วคนที่เขาอยากจะให้สถานะของเขาหนีมอสถานะของค น, านาขั้นตที่เขาขึ้นขึ้นของเงนเดือนนี่นะซือหวยแต่ที่จะไปรักษาไปยาบาลเต่ี่จะเลี้ยงดูดลูกเะไรบนี้ก็เหมือนกันแหละคนดี่เที่ยวกลงคืนหรือ มีแก๊งเพื่อนที่ต้องต้องมีอะไรที่ปวดกับเขาสูบบุหรี่กินเหล้าหรือเสพสิ่งเสพติดเนี่ยที่งๆก็เอาจํานวนหนึ่งจาเงินเดืนรายได้ของเขาเนี่ยแทนที่จะไปเลี้ยงดูแลครอบครัวก็จะได้มาอวดสูบบุหรี่อีห่อกินเหล้าอีห่อเป็นเรื่องที่งในสังคลฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับว่าถ้าในสังคมนี่ คนที่จะเป็นมูนาฟิกแต่เขาเขาไม่มองว่าความเป็นมูนาฟิกนี่กักกรอบนี่หมายถึงแบบของหน้าไม่ไม่คือไม่ชัดเจนไม่ตรงไปตรงมานี่นะคนเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นข้อตําหนิไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องที่อับอายไม่ได้เป็นเรื่องที่อับอายอยู่กับโกมน์อ่ออยู่กับยินในสุราเยู่ในสุรา ในวัดแต่เงี้ยผมทามะทําโมรอกินแต่ไปเที่ยวกางคืนกับแก๊งผู้เขานะเราเป็นคนละคนเลยคนละคนเลยทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสวนทางกับที่ที่ที่ทําตอนเช้าเชาวกลางคืนนี่ก็คนละคนไม่บอกเลยมาแล้วไม่มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตำหนเพราะ นคนก็ทำเยอะกันเอาทำเยอะจนจนไม่น่าอับายอ่ะหมายถึงว่าถ้ามีใครบังอาจมาว่าฉันเนี่ยเอ้ยมาว่าฉันเลยเนี่ยแตหนึ่งอย่างนี้นี้ด้เยอะแอและนี่มันเป็นเรื่องปลอบใจของของคนจนตัปัญญาจนหลักถายทไมตักซินบนโอ้ี่เขาทำแต่หมด let me just get for that แต่ทำไมกินแล้วเอาไปกินก okay? <go dietary rais in> ันหมดทําไมซูบุรีสูกันหมดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตะกะเดียวกันใช่มทางความชั่วนี่มันก็จะไม่ชั่วเพราะเขาทํากันหมดแต่ไม่ใช่คนที่มีปัญญานิดหน่อยนะก็จะเข้าใจเหมือนเรื่อง่พาไฟแดงจับตํำรวจจับเฮ้ยทำไมพาไฟแดงเอ้พี่เขาพากันหมดตํารวจอบมือให้อ่ะ มันมันไม่ใช่เนี่ยถ้าเรามีสตินิดนึงเน่ยนะเหตุผลแบบนี้เนี่ยมันก็ผู้ศรัทธานี่ก็ไม่เอามาอถึงจะมีผู้ศรัทธาที่อาจจะมีพฤติกรรมเยี่ยงมุนาฟิกมุนาฟิกินบางเรื่องแล้วก็รู้ตัวเองนะนะว่านี่เป็นพฤติกรรมมุนาฟิกเนี่ยการสแสดงความบริสุทธิ์แลมี ธาตุแท้ของผู้ศรัทธาเนี่จะทําให้เขายอมรับในพฤติกรรมกันชั่วร้ายแทนที่จะเอาเหตุผลมาแอบอ้างเพื่อปลอบใจตัวเองว่าเรื่องความชั่วที่ตัวเองกำลังทําอยู่เนี่ยมันไม่น่าตําหนิเพราะคนอื่นเขาทำกันเขาจะไม่พูดแบบผู้ศรัทธานะก็จะเนี่ยเฮ้ยเขาทากันหมดเลยเนี่ยอันนี้ผู้ศรัทธาจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอันขาดทํำไมทําอ่อนแอรครับผมพยายามปับปรุงตัวเอง าบางอย่างอย่าเตือนผมเรนแบบผมผมยอมรับนะเนี่ยเบาๆหน่อยหมออาจจะอาจจะอาจจะพยายมามว่าเออปลอบใจตัวเองเออร่มเป้าบางอย่างอย่าไปแฉผมเลยอย่าไปว่าผมเลยไหนผมยอมรับว่ามันผิดทำไมผมว่าผมผมไม่มีผลลัพธ์ผมร่วผมผนชั่วถ้าไม่รู้จะแก้ตัวเองช่วยขอด้วยอะไรเงี้ยแต่ภูสตาร์นี้ก็จะตรงไปต้องมากับตัวเองกับคนอื่น ไม่แถลไม่หนีไม่ไม่พยายามแก้ตัวคือแก้ตัวให้ดูดีอ่ะไม่สรุปคุณอ่านไม่ได้เป็นคู่มือที่จะให้เราทำดีทำช่วยอย่างเดียวเน่ยไม่เปลี่ยนนิสัยด้วยและส่วนหนึ่งของนิสัยที่เราต้องปรับปรงุงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเียก็คือนิสัยของผู้ศรัธทธาแล้วก็นิสัยของบุนาฟิก ต้องศึกษาในคุตตานเนี่พวกมุตตีนลักษณะเขายังไงมุเอนีนลักษณะเขายังไงแต่ในคุตตานก็จะมีพวกกาฟรีนลักษณะเขาอย่างนิสัยเขายัางไงพวกมุนาฟิกีนนิสัยเขาอย่างไ ร, งไรแล้วก็มาเปลี่ยนที่รากหญ้าที่รากฐานของของูนิสัยที่เลวร้ายเนี่ยมาเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกนที่เขาว่ากัน ซึ่งเรืองนี้ก็ต้องใช้เวต้องยอมรับนะสิ่งที่เคยชินนิสยัยเคยชินที่มันชินชินนะเปลี่ยนยากนะมยาอะไรที่เราเคยชินแล้วก็ติ ด, ป ด, ป ด, ป ด, ปดเป็นนิสัยเนี่ยอันนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนยากกว่าเรื่องที่เราเพิ่มศึกษามาเรียนมาเรียนแบบมา โดยที่มันยังไม่ฝังรากเป็นเป็นนิสัยคือยังยงไม่ทันเป็นนิสัยที่เคยชิงคนบางคนอาจจะโกหกอ่าโกหกคิดๆหน่อยๆแล้วเวลาโกหกนี่ก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจกับอีกคนมันโกหกเป็นนิสัยเห็นไหมเป็นนิสัยเนี่นนยที่ท่านเรยนอ้าอยะตุลมุนาฟิตอ้ายะ สัญลักษณ์ของมนุษย์หมาถึว่าคือชีวิตของเข้าวไม่มีนิสัยอ่ะชอบโกหกอะทุกอย่างโกหกทุอย่างซื้อขายค้าขายก็โกหกทํางานไหนก็โกหกเนอะ uh. เรื่องครอบครัวนี่ก็โกหกอยู่กับเพื่อนก AH ็โกหกก็มคุ้มพวกเราเนี่ยจากนิสัยของพวกมนุษยะนี่นี้ในอายะก่อนหน้าน ah ี้เราได้พูดถึง ลักษณะของโมนาพิกเนี่ยเด่นชัดของเขาคความดีเขาจะห้ามบังกันเขาเขาจะไม่เขาจะกำชับไม่ทําความดีความชั่วล่ะส่งเสริมอันนี้มันเด่น ม, มากแล้วเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดในสังคมผูพุทธตาแต่าเรื่องดีเรื่องดีนี่ให้ยทําทนะ ละหมาดไม่รูอย่าเพิงละหมาดไม่ต้องละหมากก็ได้แต่ผู้ศรัทธาเขาไม่พูดกันนะอย่างน้อยนี่นะกับผู้ศรัทธาที่ไม่ค่อยคลึงในเรื่องละหมาดนะไม่คลิึงในเรื่องหมาถ้ารู้ว่ามีเพื่อนเขาจะไปละหมาดเออเออมึงไปละหมาดก่แต่ไอที่แบบว่าเอยจะปล่อยมันไปละหมาดล้วกูไปละหมาดมันจะดีก็กูเหรอวันนี้นี่ไปละหมาดทาไมมันนี่ไม่ต้องละหมากก็ได้อันนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้ศรัทธา ไม่ทำผู้ศรัทธาไม่ทอยาดูในไอเดียของคนจะกำมือนี่หมาที่ไม่ไบริจาคใช่ไหมไม่บริจาคนึ่งตรงกันข้ามผู้ศรัทธานี่ก็จะบริจาคสกาดบริจาคฐานแล้วจะมีลักษณะอื่นๆที่เป็นตุดเด่นของผู้ศรัทธาในอายะที่ที่สิบเอ็ดลัทธิพะนวดละเจมาะว่าวัลมุมินูนวัลมุมินาตุบบุหมอวุียาอุบะฎิ ย่ามรุนบิลมะกรุฟว่ายนเฮอุน์น์แอนลูค์ลับรันดามุขมินชายมุสตาหาจัยละบบันดามุกมินมุกมินหญิงก็คือมุสตาห์นี่ผมไม่เห็นด้วยที่จะแปลมุกมินุนเนีมุกมินุนคือบรรดาผู้ศรัทธาชายนั้นหลายใช่ปะถ้าจะแปลเป็นมุกมิน่มุกมินจะต้องว่า ใช้ทับศัพท์เป็นคำภาษาแต่มุกมินนี่คือเอกพจน์มุกมินูนี่คือบาพจน์เราจะมาเอาเอกพจน์มุกมินแล้วก็มาประกบด้วยคำว่าบรรดามันจะได้เป็นผม <c oughs> ว, ว, ว่าอันนี้การประสมแบบนี้เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นทักษะของการแปลที่มืออาชีพทำไมเพาะเราต้องสนิทฐานนะวะคนนี้จะอ่าน คนแปลเนี่ยอา จ, จะเป็นคนที่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยก็ไไม่รู้คำศัพท์แต่สมมติเราอยู่ดีๆเนี่ยก็มามาบอกอ๋อ น, นี่อ๋นนอเราบอกนะบรรดาหมู่มินชายมาหมู่มินชายถ้าไทยก็ไทยไปเลยใช่ป่ะถ้าจะเป็นภาษารเราภาษาเราจะตอแบบทับศัพท์ที่มันไม่ต้องแปล อ, อัลลอฮ์อย่างเงี้ยเออพอได้เราซูนเนี่ยอันนี้พอที่จะเรียกร้องให้คนเนี่ยต้อง ท่องจำไม่ได้อัลลอฮ์นี่ว่าเราสู้ไม่ไหนี่ใช่คุรอศานอย่างเนี้ยก็พอได้ตัว น, นี้เอคําแปลภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะรุนระงมคาคำทับศัพท์เนี่ยที่เขาเรียกว่ามันต้องเป็นคําสากลทุกคนเลยมุสลิมทั่วโลกต้องต้องจำแล้วเขาก็จะพยายามรุนระงรุนระงมเองสลายเนี่ยเขาจะพยายามทับศัพท์หลายความหมายภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพยายามทับศัพท์ ส่นแล้นี่เขาไม่ไม่พรและอัลลอฮฺ ต, Allah ต่อกรุณากอดแล้ God, น, นี่ไม่กอดละแล้ว น, นี่พวกเขาย า, ยามไม่กอดกันล้วัล้อก็ต่อก ร, รุณาอัลลอฮฺรัเนี่ก็กอดหมดเลยใช่ปะแต่ที่หลังนี่เขาเขายังกอดนี่มันไม่ไม่ตอบโจทแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้นภาษาแทนยังไม่ได้นะอรลลอฮ์รับอยู่ก็ยังพระเจา้าอยู่นะทั้งหมานพระเจ้ายังไม่ได้ทสรก็ทำไมพนักงน า, วาวสวนน้อัลลอฮฺนี่ ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยสําหรับที่ร้องดังสน็ทว่าเขาเนี่ยยังไม่คุ้นเคยอ่านก็ยังไม่ถูกบางคนการอัลลาฮ์บางคนอ่าน ล, ละอฮ์เพราะเราไม่เคยใช้กันแล้วก็ไม่ไม่ได้เชิญชวนให้คนเนี่ยใช้แต่เราจะใช้ให้ให้เขาเข้าใจนี่เกิดพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องเรื่องนี้เนี่ย มันอยู่คนเดียวที่ต้องทําำคือนักบุชการทั้กบุญเลยต้องคือต้องเห็นพร้องกันว่าเออเรื่องนี้เราต้องรุนระลงนี้ก็จะแปลว่าบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงเพราะเนี้ยน่าจะบอกว่าเท่าไหร่อันนี้เขาคนนี้แบบนี้ก็เป็นทศนิยมเขาที่เราต้องเคาพกันบางผู้มอาวียเอะบ้างบางส่วนของเขาต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน ของมุนาฟิกเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าบางตัว uh มินบางส่วนจากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งจากอีกส่วนอะไรประมาณที่เราแปลบอกว่าถ้าแปลง่ายๆนี่ก็คือพวกมุนาฟิกเนียพวกเดียวกันแต่อันนี้เนี่ยอัลล์ไม่ได้บอกว่าบามิบามูนาฟิกเนี่ยบอกว่าบามิมบางสนพวกเดียวกันแต่อันนี้เราบอกว่าบางเอาลีอาอบาบางส่วนเนี่ยเอาลีอ อาเรื่องใพระหกของว ali ว ali นี่มีหกความหมายอัลลมมาบางท่านบอกว่ามากาความหมายนึ่งในนั้นว ali นี่คือผู้ช่วยเหลือและหนึ่งในพระนามของอัลลฮ سبحانه แะ تعالى al-wali al-wali นี่คือผู้ al-wali ผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือ วัลลย์แปลว่าผู้กล้ายชิดคล้ชิดต๊ะวัลลีโต๊ะวัลว่าอะไรก็คือผู้ศรัทธาที่ใกล้ชิดอับมึงมากว่าคนอื่นนั่นน่ะอลไรก็วัลลีแต่มาลยายู น, นี้จะชอบเพิ่มเฟนเจอร์นะอะไรที่จะให้สูงหน่อยนี้ก็ต้องมีมีโต๊ะ อครู่องเดียวไม่พอนอะต้องมีโต๊ะหมอโต๊ะหมอเออทำไมหมอเกิดเกิดอะไรก็โต๊ะ่ะเออเอโต๊ะอิหมัมกีอย่างเดียวนี่ยไม่พอนะโต๊ะกีเห็นไหมนี่ก็โต๊ะเฟอร์นิเจอร์เพิ่มไม่รู้มันมันไม่รู้มันมีที่ไปที่มาอะไรอนี่ยแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็ อะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมมานะอะไรที่มันต้องให้เกียรติหน่อยเนี่ก็ต้องวางบนหิ่งบนโต๊ะเออถ้าถ้าต้องต้องสูงหน่อยนะไม่ให้ต่ําเนี่ยก็ต้องบนบนหิ่งบนโต๊ะมันเกี่ยวบ่าผมไม่ร<ๆ>ู้แต่มันก็เป็นข้อ like สังเกตอะนะภาษาไทยมาลายูเราอ่ะนะก็จะก็จะเพิ่มก็จะเพิ่มโต๊ะ ถึงแมภาษา阿拉伯เนี่ยเขาจะยกย่องคนูอ้โหฮะ the a إ, أ, أ و و ل ّนี้เป็นวุลีของอัลล์แค่นี้เนี่ยก็แล้วอันนี้วลีมีะไรนะไม่รู้แต่วลีตรงนี้เนี่ย a อา i a aulia ผู้พวุลีเนี่ยอกพวลีเนี่ยผู้ช่วยแสดงว่าผู้ช่วยเหลือผู้ศรัทธานี่ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมันต่างอะไรกับสำรวนบาดูฮุมมีบาดินพวกเดียวกัน อ่าอุลามะบางท่านนะบอกว่าสมรวจไม่เหมือนกันพวกมุนาฟิกนี่บอกว่าบ่าวดุฮุมมินบ่าวดิพวกมุมมินีนเนี่ยต่างบางส่วนในช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งช่วยเหลือเออแล้วก็ทางมุนาฟิกนี่เขาไม่ช่วยเหลือกันนะอุลมาบางท่านบอกว่าก็อามะกําลังบอกว่าคนที่เป็นมุนาฟิกนี่นะถึงจะเป็นพวกเดียวกันปกติแต่ เวลาเขาจะช่วยเหลือกันเขาไม่เต็มที่เหมือนผู้สันทาทําทำไมมูนาฟิกนี่เขาเขาไม่มีความหวังในด้านการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจา้าไม่มีความหวังหวังผลและบุญเขาไม่ยอมรับ่เขาไม่ได้ศรัทธายฉะนั้นถ้าก็จะทำทำความดีกับใครนะมันก็ต้องมีอะไรตอบแทนเขาจะช่วยเหลือใครเนะี่ยก็ต้องช่วยเหลือด้วยความหวังว่า มันจะมีมันจะมีฟีดแบ็จะได้ผลประโยชน์กลับมาเออ น, นี้ก็จริงหมายถึงว่าจะทําเพื่อเพื่อสวรรค์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เชื่อในสวรรค์นี่พวกมุนอิกชัดๆจะทําเพื่อพ้นจากภัยอันตรายในวันเกี่ยมก็ไม่เชื่อในวันเกี่ยมตั้งแต่ต้นเลยอ่าแล้วแตแล้วแตหากว่าที่เขาช่วยเหลือช่วยเหลือกันล่ะทําไมอเมริกาช่วยช่วยยวล่ะ เออไบเดนน่ะทำไมช่วยยวล่ะเขาหวังในเลือกตั้งไงเพราะกลุ่มสนับสนุนนักเกินของอเมริกาใหญ่ที่สุดที่ทุนหนาที่สุดนี่คือกลุ่มยิที่อเมริกาช่วยเหรอยทำไมโอ้ถ้าช่วยแล้วอะนะได้เป็นประาธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเลยขนาดนั้นเลยแล้วตังนี้ก็ช่วยยูเนี่ยมาจากกระบป๋าบิดาเหรอฮะ มาจากกระเป๋าหรอไม่คือภาษีประชาชนไงหนึ่งหมื่นสี่พันล้านดอลลาร์ขอให้ขอให้สภานอนุมัติสภานีทั้งของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนี่นะอนุมัติทันทีเพราะแต่มึงลองไม่อนุมัติดดูพวกยูนี่ไม่มีใครจะสปอนเซอร์จะจะสนับสนุนตอนเลือกตั้งและพวกนี้เนี่ยเล่นการเมืองต้อง ม, องมีกลุ่มนี้ต้องมี แล้กุมยูนีเขาเป็นก้อนนะเขาสนับสนุนทุกพรรคนะทั้งฝ่ายค้านแล้วก็แล้วก็หมายถึงว่าตอนแข่งกันนะเขาสนับสนุนผมแม่เขาไม่รู้ไงว่าใครจะได้แต่ถ้าได้แล้วน่ะกับกูก็ให้ใทั้งนั้นให้หมดเลยไม่ให้ไิ่ได้ทุนเข้าหน า, าเขาไม่ดีอ๋อไบเดนช่วยเหลื อ, อยนีเาเชื่อเชือ่ช อ, อยูน่ะเชื่อยูะ ใช่แล้วถ้าไม่มีความจําเป็นที่ต้องช่วยละ่ะหมายถึงว่าถ้าเขาช่วยแล้วก็ไม่ได้ f ิ e แ b a c k ไม่ได้พัฒน์เบื้อกันมาเ ข, า, ขาไม่ช่วยก่อนหน้านี้เนี่ยไบเดนเนี่ยเตี้ยนเนตินเยอเตียดยเอียดมากเลยคนก็เป็นเป็นพวกขวาจัดเผด็จการเพราะไบเดนนี่มันซ้ายแต่เนตินเยอคนนี้มันขวาขวาจัดเ ข, า, า, ขาเตียดมาก จะช่วยทำไมช่วยก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะในเเนนี้ก็มีข้อขอรหัส อ, อยู่แล้วเขาไม่อยากจะยุ่งกับคนที่มีปัญหาเรื่องคารัสันแต่พอถึงสถานการณ์ที่ช่วยแล้วนี่นะอูนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเกาะกลุ่มกันใครที่จะช่วยประเทศขอ ง, งกูเนี่ยลุกโผซาดับ ส, สนุนัก็มีเรื่องผลประโยชน์คนที่ช่วยเ น, นี่ยฮามาสพโนบ า, สานสตานี้ทั่วโลกว่าอะไรจฮามาส อ, าอเพราะเตั้งฮามาส มาเป็นสปอนเซอร์ให้ล่ะนี่พี่น้องอํากันนี่บอกเขาเดือดร้อนอย่าเราช่วยเดียวเราหวังอะไรก็จพี่น้องำนมกันแต่วันนี้มันค่อมีจะกินแต่ถึว่าเราไม่ได้วังอะไรจากเขาเลยพราะพราเรารู้ว่าเขาเ้าคงจะอะไรจะมาตอบแทนเราไม่ได้แต่ที่เราช่วยที่เราสนับสนุนเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้แสดเอาวยยาอุบการช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกัน ช่วยลือึ่งกันละกันสถานะนี้สถานะนี้จะไม่มีในกลุ่มหนึ่งกลุ่มในนอกจากว่าความรักที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกันนี่ยมันเกิดจากความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถคลอดความรักชนิดนี้ ความรักต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นนะที่จะทําให้เราเนี่ยรักคนนุ่นรักคนนี้เน่เพราะอะไรเพรามีพระเจ้าเดียวกันและศาสนาของพระเจา้าคืศาสนาเดียวกันและเราซูลของพระเจา้านี่ก็เราสู้เดียวกันและคํำพีของรพระเจ้าพระองค์มีนี่ก็คือคํำพีเดียวกันมีเท่านั้นนะยิวนี่เขาบอกว่าตลอดประวัติศาสตร์ยวเนี่ยมีหลายอาณาจักรที่ขึ้นมาของอยู่ ทุกอาณาจักรเนี่ยอยู่ได้แค่80ปียกเว้นสองอาณาจักรอาณาจักรของเบีดาวูและสุลลมานและก็อีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีผู้รู้มีครูบาอาจารย์ที่เป็นเป็นคนที่ดูแลมีอายุยืนน้นมากกว่า80ปีนอกจากนั้นทุกอาณาจักรเนี่ยแปสปีล่มสลายประเทศอิสราเอลยยดอนีนี่เอฮูดบารั อดีตนายกรัมนตรีเขเคยบอกเคยเคยพูดน่ะว่าดูแล้วเนี่ยชะตากรรมของประเทศอิสราเลนี่ยก็จะไม่ต่างจากชะตากรรมอาณาจักรยูตลอดประวัติศาสตร์ของเราว่าต้องจะต้องมีอายุไม่เกิน80ดสิบปีซึ่งในสองสามปีนี้ก็จะครบแปบปีทำไมอบูอบไยดานุางจักไหม ไม่ใช่ยามเฝ้านีอาบูฮะไบดาเดี๋ยนี้เนี่ยดังกว่าโรนัลโดน่ะคือโรนัลโดนี่เวลาเขาเล่นแมตต์หนึ่งอะนะเใครจะดูก็ดูดูย้อนหลังก็ได้แต่อ บ, อบูฮะไบดาไม่ได้ถ้าผัวมาทีหนึ่งโลกนี่ตึงเลยตึงแลทุกคนเนี่ยต้องหาอะไรว่าไงถึงขนาดที่ยิวเนี่ยล่าสุดเนี่ยแต่ฮันยิวเนี่ยเขาบอกว่าเข้าไปบุกที่กาซาแล้วสามารถหลบ ป่อยตัวประกันยิวคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไงนะแล้วอากลับบ้านยิวเนี่ยในโซเชียลมือไม่เชื่อต้องอาบอไวโดออกมายืนยันยังไม่เชื่อขอเอาไวโดมาจริงไหมเพ ร, ะพ ร, ะพระาะแต่หารยิวเนี่ยพอเขาบอกก็ ป, ปลดแล้วนะยังไม่ให้มาออกมามาให้สัมภาษณ์หรือมาหรือมีคลิปสักอันหนึ่งมีรูปสัก แล้วก็มีนักข่าวคนซนๆหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ชื่อนี้เนี่ยไม่เคยชื่อที่เขาปล่อ ย, อยนะไม่เคยอยู่ในชื่อที่เป็นตัวปาาระกันนี่นี่เมกเมกอนี่หรือป่าจะปลอบใจประชาชนหรือเปล่าแต่ทางโซเชียลในยูบอกว่าโอโไม่เชื่อแล้วรัฐบาลกูนี่กูไม่เชื่อเชื่อตัวไม่ได้ดังหน้บัวมนเนี่ยสำหรับยูนี่ดังกว่ามุสลิมนะ อันนี้ในเวลาเวลามุจฮิดีนเนยเวลาเขาต่อสู้นะเขาต่อสู้ด้วยความสัตจริงนะเขาไม่ต้องโกหกนะอพูดอะไรนี่ก็คำไหนก็คำนั้นนะสู้หรือเสี่ยงกันละกันพร้องมีพระเจ้าองค์เดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะควบคุมแรียกว่ามันเป็นแม่หล็กควบคุมควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง มันเหมือนเข็มทิศนะเข็มทิศนี่ถ้ามันประกบนะก็ตัวเข็มเนี่ยความหนึงเข็มทิศที่เป็นแม่เหล็กที่ไม่มีปัญหานะแล้วก็ระดับการตั้งระดับของของเข็มทิศเนี่ยทุกอย่างนี่มันมันมาตรฐานใช่ป่ะเข็มทิศนี่มันก็ต้องที่ดูส่วนมากนะอันนี้ไม่พูดถึงปัญหาของเรื่องคว่ำเหนือ น, นี่มันจะมี ก, การดึงดูดของแม่เหลงนี่มันจะมีปัญหาระยะยาวอันนี้ไม่พูดแต่โดยทั่วไปี่เข็มทิศนี่มันก็แม่หล็กนี่มันก็พุ่งไปไหนไปทิศหนึอแต่ว่าเออถ้าเราอยากจะกําหนดทิศทางของเราเนี่ยเข็มทิศของเราเนี่ยมันต้องต้องมันก็ถูกใช้เป็นวลีเนี่ยทุกค น, กคนได้เห็นผงเข้าเนี่ยเริตรงเราก็สามารถเดินได้รู้ว่าเออเราจะไปไหนเราจะปรับทิศทางของเรายังไง ถูกต้องนะนี่นก็เหมือนกันถ้าพวกเรานี่มีความรักตอ่อโลกสุภารูนะอันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่นะไม่ต้องกลัวนะว่าจะเพียนไม่เพียนแน่นอนถ้าอนะไรยิ่งใหญ่นักแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราเห็นการผิดเพีย้ยนหรือบิดเบือนหรือหลงผิดเนี่ยมันต้องมีประเด็นหรือวาระซ่อนที่จะทำให้เรารู้สึกว่า อัลลอฮ์ไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดศาสดาไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุความรักต่ออัลลอฮ์นี่ยไม่ใช่ความรักที่ใหญ่ที่สุดคนเราจะตกหนุ่รักผู้หญิงคนผู้หญิงจะตกหนุ่รักก็ใช่มันไม่ไม่ผิดปกตินะที่เขาตกหนุหนุ่มร ไม่ได้เป็นหลมรักที่จปทำให้เราตรงตรงไปนอยู่นั้นตอดิพราะมันมีความรักที่หญ่ที่จะไม่ทาให้เราอยู่หนูเดความรักของอมรนทร์ให้เราขึ้นกขึ้นลก ข, ข, ข, ขึ้นมามนจปรับความรู้สึกี่ตกหลมรักทำให้เราหลงลืมและสละสิทธิ อ Allah โ, โอ้อัลลอ์สุภาพนวาระให้คนที่เราได้มากก็เหมือนที่เราหลงหลงกับสังคมมาหลงกับอะไรในสังคเสสสังคมมาเพราะสังคมต้องการแบบนี้แต่ศาสนาและพระเจ้าอัลลอ์นี่บอกว่ามันไม่ได้คนที่เข็มทิศเข็มทิดของเขาเนี่ยชัดเจนแล้วนะโอ Allah ้อัลลอ์อัลล์ไม่ให้ทำแล้วสังคมมันยอว่าังทั้งโลกโลกจะช่วยอะไรฉั น, น่ะ ถ้าอัลลอ์โกดิวถ้านมาลล AH โกิวสังคมสังคมโลกทั้งหมดนี่จะมาช่วยอะไรได้และถ้ า, AH าอัลลอฮ์ะอพระไทยตฉันแล้วเนี่ยขอให้สังคมทั้งหมดนทั่วโลกเนี่ยโกิ้วนเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยถ้า AH อัลลอ์อพระไทยแต่ต้องตรวจสอบให้ดีนะนนี้คือสิ่งที่เราอพระไทยนะเพราะบางทีเนี่ย นี่ความหลุมรักที่อันตรายที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตกหลุมรักหญิงผู้ชายตัวตกหลุมรักตัวเองหลุมรักของตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยคิดว่าที่ตัวเองกำลังหลองอยู่นี่ น, ะนั่นน่ะคือสิ่งที่อลัลลอสั่งไว้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือลุมที่สุดเลยพยายามประดับประดาซุยในะลุมซามาลีขอัลล ประดับประดาเขาเนี่ยประดับประดากับสายตาของตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทํานี่นะมันสวยงามมันดีที่สุดแล้วมันมันจะไม่มีอะไรดีกว่านี้นี่หลงตัวเองมากที่สุดหลุมรักของตัวเองที่นี่แทบแทบยากเนะนี่ยถึงอลามาได้บอกว่าที่อันตรายนี่อะไรนยเรื่องทําบิดาไงเพราะบิดานี่ยตกหลุมหลุมรักของตัวเองทําบิดานี่ น, นะ และพยายามหลอกตัวเองว่าไอ้ที่ทานี่นะนี่แหละคือศาสนาทแท้ๆเลยอันดนะีที่สุดแล้วไอ้คนที่ไม่ทำบิดาเนะี่ยในพวกนั้นน่ะหลุมมามันถึงขนาดนั้นนะ่ะไม่พอนะทำํำบิดาเนี่ตัวเองเนะี่ยไม่พอนะไม่ไอ้ที่ไม่ทําเนี่ยพวกนี้แหละแย่ๆทั้งนั้นนะ่ะนี่มันหลุมหลุมลึกมะอืมโมนาฟิกกัจฉันดิโอ มูนาทีนีเขาไม่มีไม่มีเสาหลักในชีวิตของเขาเขาก็ต้องอาศัยพักพวกตอนนั้ยังหมือนเดยวบ่าวดูมินบ้าหนเขาเป็นพวกเดียวกันแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ผู้ศรัทธาเนเขาต้องมีเสาหลักเพราะฉะนั้นเวลาเขาช่วยเหลือกันนะหมายถึงว่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่มีความชอบเฮ้ยเพื่อนผู้ศรัทธา ช่วยหน่อยพอดีจะซื้อขวดเหล้ามันขางอยู่ร้อยบาทช่วยหน่อยเฮ้ยเราเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันเราต้องช่วยเหลือกันไม่ได้ทิ้งกันไม่ได้ไม่ใช่เลยอันนี้ดูดูมันชัดชัดไปอย่างนะแต่เอาทีม่มันมันมักจะเกิดขึ้นและพวกเรานี่เวลาเป็นเพื่อนกันก็จะค่อนข้างละเลยอะไรเงี้ยละเลยเฮ้ยมึง ยืมร้อยบาทท่าไมเติมน้ำมันมาใส่เติมยมมาตมันทําอะไรไปพบแฟนไปดูหนัง etc etc อะไรอะไรแบบนี้แค่ร้อยบาทนี้ท่ไม่เพื่อนนะโอ้โหแค่เพื่อนนี่ไม่ได้ร้อยบาทนี้มันลงสิมันลง มันจะดับเพื่อนที่ไม่ยอมให้พูดแค่ไม่บาทไม่ยอมช่วยประจานหมดเลยนี่มันแล้วก็แค่ร้อยบาทมันยังไม่ยอมให้เลยมาเลยใครใครใครใครใครใครร้อยบาทโอ้ยทไมต้องขนาดนั้นนะให้มันไปเถอะขอให้เขานี่มาประจานเร า, าไอ้คิงคุกไอ้พื่นเก้ไอ้คน ใช่ไม่ได้ไอ้เพื่อนใช่ข้อส่วนมากในเวลาเราเป็นเพื่อนกันน่ะนะเราก็มักจะกลัวเรื่องเนี้หรือมันหาว่าเราขี้งกหรือมันหาว่าเราขี้เหนียวหรือมันหาว่าเราไม่เอาไหนกับเพื่อนนิ่งจะเป็นสถาบันเดียวกันน่ะเป็นแก๊งจะมาเดียวกันน่ะนะเออมันยกทัพยกทัพจะไปตีโรงเรียนนี่ไม่ไปได้ไงมันเจ้าเด้อฟิสบีลิสถาบันน่ะนี่ไปซื้อปืนซื้ออะไระเบิดอะไรปิงปองอะไรเนี่ยนี่ตทหามาเสียงเนี่ยมันไม่ไปนะ มันไม่ไปนะแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าไปบุ๊คทำไมอ่ะอำนาของเราเนี่ยอะไรอ่ะแฟนมันอ่ะโดนอันนี้แย่งแย่งใช่มเขาแย่งแย่งผู้หญิงกันน่ะแต่ก่อนนู้นนึกว่ า, วา เ, เรื่องนี้ผมต่างศาสนาเนี่ก็ม่ใช่เนี่ยพวกบางๆทั้งนั้นอ่ะบางๆทั้งนั้นอ่ะที่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะมันซึมซับเรื่อ ส, สัยูสดาไมไ ด, ไมไดไม้ต้องปรับไม่ได้ มุสลิเราเนี่ยพอไปอยู่ในสังคมที่มีกลไกมีเงินไขที่มาจากอิสลามนะทุกอย่างนี่ยมันพาไปด้วยนะก็ไปอยู่ในสถาบัานแบบเนี้ยยังไงก็ต้องมีระบบแฟนไม่มีแฟนไม่ได้เพราะไม่งั้นเพื่อนๆคนอื่นที่ไม่เชื่มุสลิมเนี่ยเฮ้ยบังเนียเป็นหัวหน้ากูเนี่ยบังไม่มีแฟนได้ไงไยเขาดิไอแก้งเดิ้ลไม่แฟนได้ไง แล้วก็มีแฟนก็เป็นมุสลิมดะต่มุสลิมแบบเ ส, สบเสบบ้าะมันแซงกันทั้งนั้นนะพูดแบบนี้บางทีเนี่ยเด็กๆบางทีก็ชอบนะด่าเขาไอเสดมันก็ชอบนะี่ยขุ่มใจถ้ามันเป็นเรื่องอ่อนแอว่กในสังคมของเราที่พวกเราต้องพยายามมีบทบาทในการในการปรับทั้งหมดนี่มันมันมัน มันซึ่มซับไปทีละนิดทีละเนึ่งจนเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลเยาวชน ท, ที่ที่เข้าที่เข้าองค์จรนี้เนี่ยถ้าไม่เข้ม แ, แข็งกันนะก็จะต้องคอยตัดแต่ก่อนนู้งึงรับนองจําได้ไหมแต่ก่อนนู้นแรงมากเลยเดี๋ยวนี้เบาเบาลงเยอะ เพราะตะก่อนนู้นเมุสลิมเนี่ยพอเข้าทุกสถานบันเนี่ยก็ต้องเจอเรื่องนี้ยและส่วนมากเนี่ยมุสลิมเนี่ยรู้สึกว่าเออถ้าเขาเข้าได้เนี่ยหมายถึงว่ากิจกรรมรับน้องเนี่ยถ้าเขาเข้าได้ผ่านได้นะแสดงว่าเขาประสบความสําเร็จระดับหนึ่งในการเข้าสังคมแต่การที่เขาจะคิดว่าเอออันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่นิสัยของเราไ ม, ไม่ใช่ความเป็นผู้ศรัทธานะทําไมต้องไปยอมเขาละ่ะทําไมต้องไปคอยตามเขาละ่ะ ทำไมต้องเหมือนเขาล่ะทำไมเขาไม่เหมือนเราบ้างล่ะทำไมเราไม่มีโมเดลของความความปเป็นพุสิธรที่ที่มีความสง่างามนี่จะไม่คนอื่นเนี่ยหลักโทษคนอเมริกาคนเนี่ยออกมาจากเรือนจาที่อเมริกาแล้วสื่อที่นู้นเราไปสัมผัสเขาผมดูคลิปเนี่ยสักเต็มเต็มเนี่ยทั้งหน้าทั้งเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่า ในเรือนจําทั <saint> ่วสหรัฐอเมริกาทั่วสหรัฐอเมริกานี่นะมุสลิมคุมอยู่มุสลิมนี่คุมอยู่มุสลิมมันคุมว่ามุสลิมที่รับอิสลามไม่ใหม่นี่แหละทําไมอ๋อเดี๋ยวนี้อิสลามนี่ระบาดทําไมเหรอเพราะว่ามุสลิมนือเวลาอยู่ในเรือนจเขาช่วยเหลือมีคําผมเข้าเลยนะเขาช่วยเหลือกัน สมมติว่านักโทษเข้ามาใหม่ปกติแรกเนี่เถ้เรียนจำเหี่แล้วก็มีพวกแก๊งะนะกันนะก็โดนรวมใช่ปะอ่าโดนโดนเละเลยอ่ะนี่พอถ้าถ้าเขาเป็นมุสลิมมะหมายถึงว่านักโทษคนใหม่แล้วเป็นมุสลิมมานะมุสลิมมีอะไรทั้งบทนี่นะจะมาคุ้มครองเขาไอพวกแก๊งมาเฟียทั้งบดเนี่ยไม่กล้าเข้าไปยุบเลยทาไมอ่ะมีพ่กพวกมีพี่น้องที่เป็นมุสลิมเขาบ อ, อกว่าล้มุสลิมนี่นะเขาช่วยเหนือจริงๆหน้าเมื่อยู่ในเรือนจําเนี่ย เขามีใครป่วยค่ะแล้วเขาไปช่วยช่วยรักษาพยาบาลใเวลาใครขาดต้องการใช้เงินเนี่ยเขาช่วยเขาเก็บตั้งให้เขาช่วยจำที่แต่คองอื่นไม่มีของอื่นนี่แต่พวกมาเฟียพวกแก๊งยาพวกอะไรเนี่ยไม่มีใครอยากจะพบกับพวกนี้นี่นี่ให้เห็นสิ่งที่อานได้บอกในคุณตาเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏในประเทศมุสลิมแล้วไม่ได้ปรากฏในสังคมทั่วๆไปนะมันปรากฏดนที่ไหน ใเรื่องจำเรื่อจำปรจิจันจำของประเทนมุสลิมเทียงที่บอกผู้ศรัทธาอยู่ที่ไหนก็ท้าเขา้าใจกันกับความสำสัมพนธ์มสลพระนามใหญอัลลอฮ์นี่มันจะคูกอัญเชิญมาอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยจนเป็นรัศมีสร้างแสงสว่างให้คนได้เห็นย่างด่นเลยนะไม่ต้องมีไฟไม่ต้องมีอะไรอื่นนี่มาส่องให้คนอื่ น, น ดูมารยาทของเขาน <mel <mel <mel ี er> ่ยจะดินคุณลักษณะคาพูดวาจาทุกอย่างนิสัยของเขาเนี่ยมันจะดินสังเกตดูนะุศธากุนทกิจมารยาดีตามอุษ่าตามมรยาทของท่านะมีคาพูดวาจาของานอุษม่านฮสติเนี่ดินดินกอย่าง นี่ก่อนก็มีพูดอ่านนะครับนี่คือมีคำสอนคําสอนอยู่ในตัวฉะนั้นลักษณะของมูมินีเนี่ยก็จะต้องข้ามกับมูนาบิตีพวกมูนาบิตีเนี่ยใช้ทําความชั่วห้ามทําความดีข้อสตานี่ตรงกันข้ามในยะมุรุนนบิลมากรูฟีเวนะฮะนะฮะมุงก์ซึ่งพวกเขาจะให้จะใช้ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกต้อง แล้วัมปรามในสิ่งที่ไม่สิ่งที่บอกแล้วว่านี้นี่มันมันไม่ได้เป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเฉพาะกลุ่มนะใช่ผู้ศรัทธาที่เป็นสมาชิกกับพของประชาชาทั้งหมดเนี่ยมีลักษณะคนตรงค้อยเราองคมันทอุกฤษณ์ลินส โลกเจ้านี่เป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่อุบัติขึ้นมาแต่มูรูนี่เป็นมรู้ฟิกอัตโนมัลเหมือนกันเลยอัตโนมัลเนีมาลาอะบุลฮัสซันอันนับวินเ่ะในหนังสือซ ماذا خسر العالم بنحطاط المسلمين โลกเนี่ยในสูญเสียสูญหายอะไรบ้างจากความตกต่าของมุสลิมมีหัวข้อของหนังสือนะมีหัวข้อหนึ่งบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ ق ل نحن أمة رسالة رأوني ببشاشة تمين ت م ي ا تي ك رسالة ن ي رسالة نية แปลว่า نا تي التي الله موب ماي ما نا تي ت ي الله موب ماي س ب ن ي ت ي بن رجع لنبيل ما ر ف و د ن و ن ا نفكر ใช تنيكرو สร้างบรรทัดฐานวางกฎเกณฑ์นในเรื่องที่มีความชอบใัที่ถูกต้องและเรื่องชั่วร้ายละ่ะจะห้ามปรางจะต่อต้านจะสร้างบรรทัดฐานให้คนเนี่ยห่างออกจากความชั่วร้ายเลยและเอาล่ะนายอัสันบอกว่าการจิฮาตของซอฮาบ้านเนี่ยที่จอาออกไปจีฮัตเนี่ยทั้งหมดนี่นะ มันอยู่ในบทบาทหน้าที่นี้สาฮาบอกเขารู้ว่าชาวเปอร์เซียถูกคมเหงแต่ก่อนน้่นนะทั่วโลกนะครับทั่วโลกเนี่ยระบบการปกครองก็คือระบบกษัตริย์ระบบกษัตริย์ที่สมบูรณ์นะก็คือก็มีวรรณะสองชั้นเท่านั้นกษัตริย์และประชาชน กษัตริย์เป็นเจ้าประชาชนเป็นเป็นทาสถ้หมายถึงว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นคนรวยคนจนน่นะทั้งหมดนี่นะจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของของกษัตริย์วันหนึ่งวันใดเนี่ยเพื่อนกษัตริย์ที่กินเหล้าด้วยกันที่ซี้กันนี่แหละวันหนึ่งวันใด น, นี่นะกิ้วไม่พอใจหยุดซับ เอาเมียเขามาเป็นเมียของตัวเองอ่ะนี่รู้ไหมโยคนรียกระบบอะไรกักระบบกระบบระบบพระเจ้ากับทาตุไงถ้าองค์กษัตริย์ตัวเาไม่ยังงั้นหมดฉะนั้นประชาชนนี่ไม่มีสิทธิ์นะที่จเจริกศาสนาในความเชื่อของตัวเองทำไมอ่ะชีวิตทรัพย์สินของตัวเองนี่ก็เป็นของกษัตริย์ที่กษัตริย์เนี่ยอยู่นี่อันนี้อันนี้เขากเออ แต่ถ้าเขาจะยึดเอาอันยึดนูรุนี่ก็สัตย์ต่อกับโต้กับมท่านนบีอิบราฮิมท่านนบีอิบราฮิมก็รบเบียนระดีโยูฮียวโยมีพระเจ้าของฉันนี่นะให้เป็นให้ตายเขาบอกว่าฉันก็ให้เป็นให้ตายคนที่เป็นนักโทษที่ต้องประหารชีวิตนี่นะฉันก็ให้อภัยแล้วคนที่ไม่เป็นนักโทษไม่เป็นอะไรเนี่ยฉันสั่งให้ปาชีวิตเนี่ยให้ตายฉันก็ให้เป็นให้ตายเหมือนกันนะ เขามองแบบนี้นะก็ เ, เป็นพระเจ้าแล้วไนงะเพเขามองว่ามาัน ม, มีค่าเดียวกันสฮาร์บะได้เห็นว่าก็มีระบกบการปกครองที่ของมุสลิมที่เดียวนะที่มีผู้นําถูกเลือกจากประชาชนและประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองและยังเป็นเจ้าของอธิปไตยที่สามารถเลือกผู้นําที่จะปฏิบัติ ตามคุณธรรมตามหลักการคุณสมบัติของความเป็นผู้นําที่มีความยุติธรรมเขาหวังว่ า, วาไอ้ประชาชนที่อื่นเนี่ยชีวิตของตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทรัพย์สินของตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะถือกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งศาสนาความเชื่อของตัวเองไม่มีสิทธิที่จะนับถือศาสนาอะไรเขาก็ออกไปเยียดเพื่อต่อต้านระบบ ก, การปกครองเหล่านี้เนีให้ประชาชนทุกที่เนี่ย ได้มีอิสลามและที่เป็นหลักฐานที่ในประวัติศาสตร์นี่ยืนยันกันหมดเลยว่าซาบ้าเวลาไปพิชิตเมืองต่า ง, งๆก็ไม่ได้บังคับให้เขาให้ใครรับรับอิสลามแสดงว่าเขาไม่ได้บอกเออเขาถูกบังคับไม่นับถือศาสนาอิสลามหรือเราจะไปใจใจเขานับถือหเปล่าเลยเราจะ หมดแอกให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกอาจจะนับถือศาสน า, ส า, สาอืน่นก็แล้วแต่คุณละก่านแต่ชั้นเนี่ยมาให้ท่านเนี่ยมีอิสรภาพมีความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้หละซาฮาบาตอนที่ไปจิ่ฮัทเนี่ยเขาบอกไหมเราจะไปจิ่ฮัทเนี่ยอาคีได้ต้องมาก่อนเขาพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยเราจะไปจิ่ฮัทเนี่ยคนนี่เราพิชิดเมืองนี่เขาต้องเข้าอากีได้อิสลามิยะก่อนเขาบอก ทำอย่างนี้วะถ้าใครถ้าใครกล้าพูดแบบนี้นี่ฮูแต่เขาไปจีนนี่เพื่ออะไรเพื่ออิสลามแต่ด้วยเห็นเนี่ยชื้อกรอตอวี่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอุมาอิสลามีย่นี่ท ب ب ั ی ی ی ้งประเทศมุสลิมแล้วไม่ใช่มุสลิมมันะประชาชนนี่มนุษย์ที่อยู่ในโลกเนี่ยเขาเขาไม่มีอิสลาม ทำจิหำจ่หาาาาา้านี่ไม่ไม่ไม่ให้ทำไม่ให้ที่ห้านั่ค้นซื้อเอาเอาเอาไอ้นี่ใครเนี่ยอยู่แถวนี้ป้าอยู่แถวสุดตะวานนี่แหละทำความชั่วเชิญเลยทำความดีไม่ไม่ไม่ทำอั่เราก็จะมายินผนะู้ศรัทธานี่ไม่ได้ด อีที่ผมแค่ยกตัวอย่างอันนี้ระดับสากลในระดับระดับประเทศนะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเครียระดับส่วนบุคคลนะพวกเราอยู่กั น, นะระรับส่วนตัวเนี่ยอันนี้เราต้องมาตรวจสอบตรวจสอบควาเป็นผู้ศรัทธาความเป็นมุนาฟิกเรามีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พ ม, มุนาฟิกนี่เนี่ยต้องตรวจสอีผู้ศธาก็ต้องตรวจสอบทุกความดีที่มันที่เราเจอในชีวิตของเรา คำสั่งสอนเรื่องดีๆที่เจอในคุตตาเรื่องดีๆที่เจอในหฮดีสเนี่ยตั้งคํำทำกับตัวเองเลยชอบไหมชอบทํำไหมชอบถึงแม้ว่าจะทําหรือไม่ทำก็ชอบทํำไหมชอบอยากทํำไหมอยากทําอันนี้อันดับแรกเลยนะถึงแม้ว่าเองยังไม่ได้ทำนะอันดับแรกชอบไม่ชอบอยากทำไหมอยากทํำมาชอบไปคนอื่นทํำไห ม, ไมชอบ แล้วถ้าเห็นคนอื่นเขาทำเนี่ยดีใจไหมดีใจโอ้ดีใจมากเลยยินดีด้วย่านชอบไหมก็ชอบมู่อย่างอื่นไม่ได้ก็ชอบถ้แต่คนอื่นทำเนี่ยชอบไหมใครอะใครเนี่ย ไม่อยากไม่อยากรู้ไม่อยากรับรู้ไม่อยากให้ปรากฏให้เห็นว่ามีคนอื่นทําทั้งเรื่ที่เรายังไม่ได้ทํำมุสตาไม่ถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ทํานะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยสุบุหรีนะแต่ถ้าคนอื่นไม่สุบุหรีเนี่ยเขายินดีอันนี้ในมุสตาแสดงว่าไอ้เรื่องสุบุรีมันเป็นความชั่วที่มันยังไม่ฝังลึกเขายังไม่ชอบความชั่วแต่ไอ้คนดี ไอคนที่ทําความชั่วแล้วก็ภูมิใจในความชั่วนี่นะนะพอคนอื่นเห็นคนอื่นไม่ทําความชั่วนี่นะอยู่ด้วยกันเห็งเงี้ยสุบูรีนะอคนหนึ่งไปสู่ทำไมไม่สุบูรีฮะอลเลมด้วยกันนะฮะอ่าเริ่มละเราอยู่ด้วยกันขออ hey, hey, hey, hey. นุยาเป็นละมาแน่แน่อเลมมาแล้ววะรอ้อ <laughs> มาแล้วกันกันแหนกันนะไม่เนี้ยงเลย คือไม่ลุกนะแต่เห็นเขาจะไปละหมานี่จะเด่นเด่นกว่าเราได้ไงอ่ยมก็เห็นเราเนี่ยชั่วๆกันนึงนั้นน่นนะไม่ละหมานกันนะอ่ะเห็นจะมาดีกว่าเราได้ไงเฮนยแบบนี้ไคนเป็นตัวสอบตัวเองพวกเราต้องตัวสอบตัวเองมันไม่ต้องเออใช้เวลาสิบสองชั่วโมงนี่มานั่งดูในกุตานในที่แล้วก็ไม่เรื่อยเรื่อ ย, อ, ยอ่านกุตานตลอดชีวิตจะมาอ่าน การเรียนศึกษาเรียนสิเรียนนี่เธออะไรที่เป็นคําสอนนี่นะตรวจสอนตัวเองทันทีเลยเห็นถึงบอกว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงนี่นะเขาจะชอบความดีให้ตัวเองเลยได้ได้ทำความดีแล้วก็ชอบให้ความดีนี่ปรากฏกับทุกคนในสังเอี่ยมชีวีนี่ก็จะก็จะเป็นผู้รู้ที่แบบว่าถูกถามบ่อยในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็คนก็จะชอบมาเถียง มาเถียงอิมามชัยเออนี่แท่านทำไมพูดแบบนี้นี่ยมันไม่มีหลักฐานไงถ้าต้องมาเถียงอิหมามช افي บอกว่าทุกครั้งที่มีใครมาเถียงทุกครั้งะที่คนใครมาเถียงฉันเนี่ยฉันนี่อยากย้ายความจริงมาปรากฏกับเขาไม่ได้ปรากดกับยอมรับผมเองในบางทีเนี่ยเราเถียงคนอื่นเนี่เราเราอยากจะถูกแต่การที่เราทำใจว่าเออ ความถูกต้องเนี่ยมันจะปรากฏกับเหตการณ์ขอให้มันปรากฏแล้วกันเพราะเราเนี่ยต้องการความถูกต้องอย่างเดียวถึงแม้ว่าอยู่ในฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาอะนะถ้าอยู่ในฝ่ายเราเนี่ยเรห้บิลล่ะถ้าอยู่ในฝ่ายเขาเนี่ยเราจะน้อมรับแล้วก็สยบกับความจริงถ้าเราทำได้นะสุจริตสุจริพวกมนุษย์นิจํมเดมะ يقبضون أيديهم نس الله فنسهم يقبضون كم م برجان نس الله ا ل ي م الله مايرملت اللهني و م ا د ن رنينه هو م ح ب ا ن ي ة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هو خاتدمرو ميسن كلما لا ع ي ذ ك لا ب د ي تالله ل رسول ر ه มันตรงข้ามกับอนุญกดูใดียมือไม่ไม่แบมแบนี่เงินมันจะมันจะหลั่งไหลออกเขาจะกันกบใช้เองแต่นี้ยตนสกาเขาจะจสานสลลอฮลอัลลอฮม่รับล่นจิงอัลลอฮันนี้ยุคยมนดดำรงเสดวัลงอัลลอฮ ใหราติ عون อัลลอฮฺและดีเชื่อฟังอัลลอและลวมาบงทนบอกว่าดำรงสิ่งกาละหมาดและใจกการนี่หมายถึงมะที่เป็นฟ ardu ที่เป็นสุนนะอิบนอับบาสอกว่าดำรงไว้สิ่งการละหมาดและใจกการซึ่งสการที่เป็นว ajib และละหมาดที่เป็นฟ ardu เพราะอะไรเพราะคนที่ดารงไว้สึ่งการละหมาดที่เป็นฟั r d และใจกการที่ที่เป็น واجب เนี่ยังเคร่งครัดนะคนเหล่านั้นน่ะทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบมากที่สุดวนอาทิตยสุดที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามาตก تقرب إ ن ن ل ย عبد بشين حب إلي من ما افترضته عليه บารคนก็อาจจะไม่มีใครทําอะไรที่ฉันจะชอบมากที่สุดดีกว่าการที่เขาไม่ทําหน้าที่ฟักดูที่ฉันได้สั่งใช่ที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทําเป็น واجب มันะถ้าเขาต้องนั่นนะคือสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุด อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้มันแน่นอนหมายถึงว่าฟัรดูนี่สําคัญกว่าสุนนะละอัลลอฮ์ตอบแทนฟัรดูนี่มากกว่าสุนนะละมาอิชาผลละบุญมากกว่าเรืองละมาสุนนะคุณอิชาอ่ะตอบตอบไม่ยากนะอิชาใช่ไหมละมาดเออฟังให้ดีนะละมาอิชาผลละบุญมากกว่าเรื่องละราตอรวี อิชาแต่ทาไมตอนมะละมานี่อิชามัสมุกกันเป็นแถวเลยแต่เอรางไม่มัสมุกจริงนะเฮ้ยเียอิชาจะมัสุกไม่เป็นไรนูนมีต่อรวิ่งแถ้าดามุมมองของเราต่อเรื่องไอบาดาที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบแค่นี้นะกเรืหักมุมแล้วเราหักมุมกับอัลลอฮ์ เรามองว่าตัเราเวยนนี่อันนี้สุดยอดแล้วแม้กระทั่งตัวราในความในความรู้สึกคือนี่ละมาอิชานะเว้ยคือนี่ละมาตัวเราเวีนโอ้ยเออเออมาข้าแต่าะมาอิชานี่คือลมาอิชากแล้วทำไมแต่หลักฐานเนี่ยอัลลอฮ์ชอบให้เรารักให้เรามาอิชานี่เราจะเป็นที่รักนะอัลลอฮ์มากกว่าถ้ารักษาฟรดูนะมากกว่าสุนนะ ในแน่นอนไม่มีใครหรอกเลยละหมาสุนนะสุนนะอิชาแล้วละหมาอิชายังเฮ้ยยังเลยให้ลืมอะมีด้วยเหเป็นไปได้ยังอันนี้แสดงว่าคนไม่เข้าใจศาสนาเลยต้องเอามีอาบัสก็เลยบอก่อนใช่ดีผู้สะทานิฟอรดูนิขกริงครับในบันดึวยคนผู้ขอริลมุสลิมเนี่ยสาวบาคนนึงมาท่านนบีซอลนะครับ อัลลอฮ์ใช้ให้ฉันละหมาดกี่วัตตุนบีบอกว่าห้านอกจากว่าถ้ามากกว่านี้นะก็คือนับลุยซุนน ะ, นะอันนี้แล้วแต่เจ้าแล้วอัลลอฮ์สั่งให้ฉันในเทศกาลเท่าไหร่อดเท่านี้เท่านี้นอกจากนั้นซุนนะและ้วอัลลอฮ์สั่งให้ฉันในที่สุอดอดยังไงก็สเดือนรอมฎอนนอกจากนั้นก็เป็นซุนนะคนนี้เป็น ช, ชนบดนะชนบดเลี้ยงปัสุสันอยู่นูน่นอยู่ มาดูยนุนมาหาท่านนบีนี่ประดี๋ยวประดาวันลวก็จะริบกลับไปดาว่าหู่บ้านเขาเนี่ยแล้วกลัไปสอนครอบครัวเขาก็เลยมาถามท่านนบีเรื่องนี้หน้าที่เขต้องทําอะไรนบีก็บอกตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กกเขาก็บอกผมจะทําตามนี้ไม่น้อยกว่าและไม่มากกว่าหมายถึงว่ามันดูกะระหม่อมมดูน้อยกว่านั้นและไม่ มากกว่านั้นนี่ยอลามาอลามานี่ยผก็หมายถึว่าสุนนะนี่ฉันไม่ทําถือสิโนดอัลอฮฺมอดุอน์สุนนะถือสิโนดสุไม่ทํำสกาดฟอร์ดูเป๊ะเลยที่เป็นซาตากสุนนะนี่นะไม่ไม่ให้เป๊ะเ๊ที่เป็นฟอรดูอย่างเดียวน้อยกว่านั้นฉันจะไม่พร่องมากกว่านั้นฉันจะไม่ทำหันหลังกลับไปเลยนะคบเป็งสอนหมู่บ้านท้ออุ้ยบอกไง อัฟละอินสระอีจำนวนนี่แน่นอนแล้วประสบความสาเร็จแน่นอนถ้าพูดจริงอีกจำนวนหนึ่งเดนเข้น์อินสะเข้าสวรรค์แน่นอนเลยถ้าทาตามนี้จริงอธิษฐว่าถ้าเราเป๊ะๆนี่ยฝรดูดีเป๊ะรดูยีนะเป๊ะนะอมีโอกาสนะเข้าสวรรค์นะแต่ต้องเป๊ะนะมี่ทีเป๊ะๆนะเป๊ะนะ เออไม่ใช่ซูบโบนี่ซูบโบนี่ห้าห้าวันในตรงเวลาแล้วก็สองวันนี้นะนุ่นแปดโมงเชา้ชาเโมงเช้าตามอธยาสัยเพราะอะไรเพราะมื่อคืนโอ้ดิบางติกตักนี่พาไปนู้นไปนี่ในตัวนี้ก็จะนอนนี่ก็ตีห้าตีหกอะไรนี่ไม่เป๊ะนะฟอร์ดูไม่เป๊ะแต่ถ้าเป๊ะจริงที่ไม่พร่องเพราะละอันกุสูไม่พร่องนันนี่โอ้ทไมพร่องนะ โอ้ยสัสมสัมนอนแล้วก็ศาสนาเนี่ไม่งการอะไรเยอะแยะเนี่ยแตขอให้เปะๆแต่พเรามาดูสภาพของเราอะนะไอ้ความที่ไม่เป๊ะๆน่ะไม่เป๊ะมันเป๋มันก็ต้องอต้องมีส่วนหน้มันสนหน้าี่มันจะได้ชวย ช่วยไอ้เป๋ๆไอ้ที่มันที่มันแบบต้องๆใบเนี่ยมันจะได้ช่วยหนุนมุขขึ้นขึ้นหน่อยนะอับดุอาตียานี่ซึ่งเป็นนักอธิบายคุรานเวลาท่านอับดลอาตียานี่ในี้อวัดอัลอฮ์ที่ห้าอับดุอาตียานี่บอกว่าอธิบายตายานี่ผู้สถานเนี่ยดํารงซึ่งการละหมาดหมายถึงว่า ที่เป็นศูนย์หน้าดำรงซึ่งบริการระการมายถึว่าที่เป็นสกัดที่เป็นสุนย์หนาไมอ่ะเพราะบอกว่าอาญาเนี่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์กลังสรรเสริญผู้ศรัทธาสรรเสริญผู้ศรัทธาในเรื่องอาสาย่อมสูงกว่าสรรเสริญผู้ศรัทธาในเรื่องหน้าที่ เพราะคนที่ทำเรื่องอาสาเนี่ยแน่นอนแล้วเนี่ยเขาต้องทําหน้าที่ให้ครบถ้วนหมายถึงว่าถ้าผู้สัตย์จริง น, นะเป็นไปไม่ได้เขาจะละมสัส น, น่าละก็ฟร์ดูทำไม่ละมาท่านี้อัละะลอฮฺกำลังสรรเสญผู้สัตยที่เขาละมาสน่าแสดงว่าะกาคุยนี้แน่นอนแล้วเขาคุยแล้วเขายัางมีสุนนาด้วยใช่ไหมอติยะเนี่ยบอกว่าผู้ศรัทธาซึ่งตรงการข้ามกับมูนาฟิกนี่นะเขาจะรักษาซึ่งสุนนาด้วย ทั้งเรื่องละหมาดทั้งเรื่องสกาดทั้งเรื่องเขารักษาด้วยเขาไม่ไม่พอใะเรื่องฟ้อนดุนีเขาจะไม่พอมันก็สอดคล้องกับ حديث ของท่านนาบีบางอย่างท่านนาบีสุลต่านละอฺอุสฺลาหฺเลบูตถึงเรื่องนี้การกระทําที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างระหว่างมุนาฟิกกับผู้ศรัทธานี่ก็คือเรื่องคุณงามความดีดตา่าง กาละหมาดกียรมุลเลนท่นนบีบอกว่าการละหมาดกียรมุลเลนเนี่ยมันพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจเอาแล้วก็ละหมาดฟังดูไปดีบริสุทธ์กว่าบริสุทธิ์ใจตั้งแต่ละหมาดฟังดูส่วนมากเราละหมาดจะมาเนี่ยละหมาดจะมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอ้อวดเอาแล้วก็สะสะหนายว่าถ้ามันมีโอกาสอ้อวดทาไมบังคับว่าหรือําชับว่าละหมาดต้องละหมาดจะมาละเพราะ ประโยชน์ของการละมหมาดยะมาว่าเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลส่วนรวมความเสียหายในเรื่องพวกอวดเนี่ยมันเป็นความเสียหายส่วนตัวการละมหมาดยะมาว่าเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลที่ต้องดํารงไว้ถึงแม้ว่าจะมีความเสียส่วนตัวของบางคนเรื่องพวกอวดบางส่วนแต่สามารถชด ได้สําหรับคนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการโ อ, อ้อวดตอนละหมาดประโหวมบางทีเนี่ก็บางทีก็เออมันกนะ็ดีไม่พ้นอ่ะพอมาละหมาดจะมาว่ากันเนี่ยก็อาจจะต้องมีน บ, บีก็เลยให้โอกาสชดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจในการละหมดาดเถียงว่าถาไม่อ่ะเออไม่มีใคร ม, มีใครรู้ถ้ามีใครจะรู้ก็มีคนเล็กน้อยในบ้าน แต่คนข้างนอกไม่มีใครรู้พิสูตรความบริสุทธิ์ใจได้ของตัวเองนะตืมแล้ว嘛ฉะนั้นใครรงสนันเป็นมูนฟิกริานเป็นพวกอุบายมิสอพสูจตัวเองเลนลหมังยนละังคืนเลอย่าไปบอกใครนะไม่ใช่ว่าตื่นตอนเช้าง่วงนอนถ้าไม่ยงคงข น, นั้นคืนเลย โอ้ปวดหลังคืนละหมาดเกียวมุลเลียเหมือนเสร็จมันก็แฉไปหมดเลยวไม่เหลือแล้วไม่ละหมาดเกียวมุ่นเลียไปบอกใครอันดับรอบนี้มาสูดขอจะละหมาดเกี่ยมุ่นเลีละละกเกยทั้งคืนตื่นตอนเช้าเนี่ยน้ำมันน้ำหอมนี่แ้วกถ้าหน้าเนี่ยให้ดูสดชื่นเอาน้ำไป ไปมาสิทนิ์ในลวก็ง่วงๆเลยทุกคนก็ทุกคนนี่ละหมาทั้งคืนแค่นี้เนี่ยเขาไม่อยากให้คนรู้เลยอ่ะถือสิ้นอดทั้งวันนี่นะเขาจะเอาน้ํามันเนี่มาทาฝีปากปากจะได้ไม่แห้งคนที่ปากแห้งนั่นะแค่นี้เนี่ยเขาไม่อยากให้คนสงสัยนะไม่อยากให้คนสงสัยว่าเขาทาความดีเนะี่ยดูหีิความปกปิดเนะี่ยที่เขาอยากจะปกปิดเออพิสูจน์ได้ ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันมีวิธีร่องไอ้บาดาที่เราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ชนเหล่านี้แหละอุละอิกะเซียร์รฮัมุลลอฮอินนัลลอฮ์อาอิซุฮะคิมชนเหล่านี้แหละเราจะสู้อินดูไม่ได้กับเขาเซียร์รฮัมุลลอฮ์รักมาเซียร์รฮัมเราจะไม่ได้กับเขาเพาะเราไม่ไดทุกคน แม้กระดังผู้ปฏิสฐานอย่างนั้นก็ไมดผู้ปฏิสทานอลนนั้ก็ไมดแต่ความเมตตาของเราเนี่ไม่เท่ากันอัลบอกอัลลอฮ์ทรงมีความเมตตาสิบระดับเอหนึ่งร้อยระดับหรือหนึ่งร้อยส่วนส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ประทานลงมาให้ชาวโลกทั้งหมดเลยเนี่ย ทั้งสรรพสิง่งสรสัตว์ทั้งมนุษย์เนี่ยได้สัสดส่วนจากความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยใชย้ด้วยกันและบีบอกว่าแม่กทั้งสัตว์เนี่ยตัวแม่กับลู ก, นนนะน เ, ลกนเนี่ยที่จะเมตตากันนี่นะก็ด้วยความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้มานและอีกเก้าสิบเก้าส่วนแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮเก็บไว้วันเกียร์มาเนี่ยอันนี้ละ่ะนี้ขนาด มนุษย์สัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ตั้งแต่สร้างโลกนะตั้งแต่มีมนุษย์นะจนถึงวันเกียมาเนี่ยใช้เฉพาะส่วนเดียวนะส่วนเดียวนะในวันเกียมานี่ยเก้าสิบเก้าส่วนในวันเดียวนะผมวันเกียมานะอัลลอฮฺจะใช้เก้าสิบเก้าส่วนสําหรับให้โอ้แสดงว่าความเมตตาก็ไม่เท่ากันความเมตตาที่อัลลอฮฺอัลลอฮฺจะ แบ่งปันให้ให้เบาของพระองค์เป็นบุญศรัทธาเดี๋ยวไม่โดนด้วยเห็นผลเนี้ยบุคคลที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมอะมีชีวิตอยู่เนี่ยเราขอดะอ้อขอรอเมตตาท่านขอดะอ้อได้ไหมแบบนี้ได้อิมาคนที่มีชีวิตนะต่างศาสนาเนะขอรอเมตตาท่านขอร้อยอภัยโทษแทนหมด แน่นอนขอร่ลเมตานี่ความเมตตาที่ร่ล่เมตตาร่ล่เมตตาทุกคนเลยแต่สำหรับผู้ศรัทธาในเวลาขอดุอาให้ต่างศาสนิเนทุกเรื่องนะเราหมายรวมว่าที่อัลลอฮ์จะให้ท่านเนี่ยลำดับแรกเนี่ก็คือเร่งหินไดย่ะขอร่ล่เมตตาท่านนี่ก็คือถ้าเมตตาเนี่ยจะสมบูรณ์ที่สุดนี่นะหิด้ยขออัลลอ์ให้อภัยโทษแก่ท่าน ได้บางคนที่มีชีวิตนะต่างศาสนกที่มีชีวิตนะขอได้ก็หมายถึงว่าขอให้ท่านอยู่ในสถานะที่รับอภัยโทษอย่างครบถ้วนสมบูออรณ์ก็คือพระพิธายาตเพราะทหาก็หมายรวมว่าเมตตาแบบอะไรก็ได้นะเออมตตาแบบที่อัลลอฮฺเมตตาคนต่างศาสนากําลังขัดรถแล้วก็ผ่าไฟแดงแต่อัลลอฮฺนี่เมตตาให้เขาเนี่ยไม่มีรถมาชนเขาไอ้แบบเมตตาแบบนี้นะออทุกคนเราก็ไม่ได้ขออะไรพิเสี ย, ยเลย บังดีเขาอาจจะได้โดยโดยไม่ต้องขอดูอาเขาก็ได้แต่แต่ผู้ศรัทธาจะจริงใจในการขอดูอาให้ต่างศาสนาดินนะที่เขามีชีวิตยืนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยความเมตตานี่ของวันเปียมานี่นะอันนี้เราไม่รู้นะอัลลอฮฺจะให้แบบไหนซึ่งเราไม่สามารถร่วงเกินละอัลลอฮฺจึงห้ามไงแต่ละคนต่างสาสนกที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะขอให้อะัยโทษขอวมเมตตานี่ยนะ ขอให้ประโย น, น, น, น์ี้มีนความขอความเมตตานี่ยอุลามะบางท่านเนี่ยในมันชฉวีเนี่บางท่านเนี่ยบอกว่ายัางขอได้นะเฉพาะความเมตตานนะเออนี่ในมัศใ น, นมัศฉวีแล้วเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นตอนที่ป๊บคนก่อนเนี่ยพอเสียชีวิตเนี่ยเชฟกรดอกิเชฟกโรดอกรดริอกขอร้องเมตตาท่านในสิ่งที่ดีที่ท่านได้ทำไว้แก่ไว้อะไรให้เขาอนะะเป็นเรื่อง พี่เนี่ยเขาก็ไม่ค่ไม่ควรที่จะพูดแบบนี้แหละแต่ถามว่าแต่ไอเรื่องที่เขาทาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเน้นที่สายซาบะไม่นเนเรื่องมันมีทัศนะที่บก็ได้ตามศาสนิกเนี่ยแต่ผู้รู้ท่านอื่นเนี่ยเขาบอกว่าถึงจะมีทัศนว่าได้แต่คนอย่างโอ๊บนี่นะที่เขามีบทบาทในการให้คนอื่นออกจากศาสนาอิสลามเนี่ยเขานั่งประชุมสัมมนาเนี่แต่ละครั้งเนี่ย แล้วก็ดูสศรษฐีว่าเออมีกี่คนรับศาสนาคริสต์แต่คนแบบนี้แหละที่ที่ท่านคนคนมีความปรารถนาที่จะให้คนแอฟริกาที่เป็นมุสลิมออกจากศาสนานึ่มีศาสนาคริสต์แต่คนแบบนี้เน่ะเออสมควรที่จะ พี่จะขอเมตตาเขาหน่อยเขานี่เป็นคนที่ไม่เคยหวังดีเลยถึงแม้ว่าคํบบาพูดว่าจะดูเหมือนเขาจะสวยงามจะน่ารักอะไรเงี้ยแต่ทิชเริงเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าปุ๊บนี่คือคือผู้นําสูงสุดของศาสนาที่ต้องการให้คนในโลกนี้ทุกศาสนาอื่นต้องออกศาสนาเขามาเข้าศาสนาขเขาก็เหมือนเรานี่แหละก็เหมือนเราที่ประเทศที่มีชาวคริสต์นะ เขาอยากจะให้มุสลิมเนี่ยเรียกเขาเนี่ยว่าเป็นผู้ศรัทธากให้ฉันได้เป็นผู้ศรัทธามันได้ฉันกาเฟตได้ไงฉันเป็นผู้ศรัทธาได้ฉันกาเฟตไม่ได้แล้วก็พยายามกดดันให้ฉันได้กาเฟตที่ฉันเป็นกาเฟตนี่นะแล็กแกนี่เป็นผู้ศรัทธาคนเดียวเหรอในโลกนี้เป็นผู้ศรัทธาคนแล้วคนอื่นเป็นกาเฟตหมดเหรอถ้าเรามาเจอผู้รู้คนหนึ่งบอกเอาอย่างนี้ผมเนี่ยมุสลิมเนี่ยในความเชื่อของคุณเนี่ย ทีสเข้าสวรรค์ไม่ถ้าไม่ได้ศรัทธาในพระเยซูว่าล้างบาปโลกล้างล้างบาปมนุษยชาตนะิต้อไม่ได้พอถ้าคนไม่ศรัทธาในพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นคนเป็นผู้ที่ล้างบาปโลกทั้งหมดเนีนะ้อันนี้กดเข้าสวรรค์อดเข้าสวรรค์แสดงว่าไม่อยู่พุทธาไม่มียู่พุทธตาแสดงว่าเป็นผู้ป ฏ, ฏิเสธศรัทธาแสดงว่า ไอ้ใครเป็นคาเฟตเป็นอะไรอันนี้เราอย่าว่ากันเลยเพราะแต่ศา ส, สนาเนี่ยเขาก็เขาก็จะมองว่าศาสนาอื่นนี่เป็นต่างเป็นต่างศาสนิกอ่าอย่างเช่นมุสลิมเนี่ยในสายตาของพี่น้องชาวพุทธนี่นะเขาไม่มีเข า, ม, ม, เขาม่มีคําว่าคาเฟตี่ยแต่เขามีคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ที่เขาจะพุดกมามักกะใช่ไหมแล้วคนที่ไม่ได้ศรัทธาในคําสัสอนของพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ผูแต่มามกาะ ที่ตามมาเนี่ยไม่ยึดวุฒิมาว้างานนี่ท่านะไม่ยึดวุฒิว่ า, า, างนเนาเ ข, ข้าสวรรค์ไหมถามต่อดิถามต่อนะบางทีหนึ่งมันก็ตอบไม่ได้งไงแต่มัน ค, ำคำําคําตอบมันอยู่อยู่ในตัวก่ะผมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสวรรค์ไหมในความเชื่อของชาวพวุทธเข้าสวรรค์ไหมจะแต่สรู้ไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะ อพ้นเวรกรรมไหมมันก็เ ป, นเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลักเลยศรัทธาในคําสั่งสอนของพระเจ้านี่มันจะได้ครบวงจรความสมบูรณ์ความรอดเข้าสวรรค์พ้นพ น, นรกทั้งหมดนี่ก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งสอนโอ้เราต้องยอมรับกันนะว่าแต่แลศา ส, สนานี้ก็มีมอออีอัตลักษณ์ของเขาถ้าไม่ยึดในอัตลักษณ์ของเขาก็ไม่ได้เป็นศาสนาของเขาแต่ศาสนาอิสลามนี่ก็ยังมองกว้างนะ ถึงแม้ว่าเราจะมองว่าคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็หมายถึงว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาในหลักศรัทธาที่เรายึดมั่นอยู่ซึ่งมันเป็นมุมมองที่แฟร์ที่สุดเนี่ยเพราะคนอื่นก็มองแบบนั้นไงแต่อิสลามเนี่ยจะเปิดกว้างในเรื่องมุมมองหมายถึงว่าไม่ดูถูกคนที่เป็นผู้ปิสทธาเนี่ยเราจะไม่ดูถูกเรายังให้เขามี คุณลักษณะความเป็นอุ mma มมถ้าเรียกว่าเป็นอุมม a ทุก ด, ดาวาเป็นอุม m a ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลที่ยังมีสิทธิ์มีสิทธิ์กับเรานะที่จะต้องถูกเรียกร้องหมายถึงว่ามุสลิมเนี่ยจะมองต่างศาสนิกในสถานะอวะถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการเรียกร้องจากเราหรือการอัถธิบายศาสนาจากเราเนี้ มุมมองที่มุสลิมจะมองก่อนอื่นเนะ่มองว่าเราเนี่ยบุกร่องเขาเนี่ยยังไม่ได้รับคําเชิญชวนหรือไม่มีใครอธิบายอิสลามให้เขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาตายแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรของอิสลามเขาเนี่อาจจะรอดแต่เราเนี่ยผิดเขานี่อาจจะรอดนะเพราะเขาไม่ได้รับรู้อิสลามไม่มีใครมาบอกเข า, าอิสลามคืออะไรแล้วเราว่าผิดไหมเราเราว่าผิดที่ไม่ได้บอกเขาแต่เราจะมาเราจะไม่ไม่ถือว่าเออเป็นหน้าที่ของเราที่ดูถูก หรือคนที่ไม่ได้รับอิสลามเนี่ยไม่ใช่เราจะมองถึงตัวเรามากกว่าว่าเราทำหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่อิสลามไหครับมากน้อยแค่ไหนมากกว่าอนี้มองถึงหน้าที่ของเรามากกว่ามีมุมเดียวที่อิสลามนี่จะให้มองตา่างศาสนิกแรงหน่อยนะก็คือคนที่ประกาศตัวเป็นสัท ต, ต, ตุใ น, น่คุณอ่านมีหลราระที่มันแบบคนที่มาการ ตัวเป็นศัตรูต่อต้านอิสลามไม่หวังดีแสดงปฏิกิริยาคัดค้านต่อต้านสู้รบเพื่อไม่ให้เราได้ใช้สิทธิในการปฏิบัติตามความเชื่อของเราอันนั้น น, นั้นนะที่อิสลามจะให้มองเขาก็เป็นศัตรูนะจะมองเขาอย่างอื่นไม่ได้น ะ, ะซึ่งดังนี้ก็ถือว่าแฟร์ที่สุด ในหลกัการศา ส, สนอิสลามเพราะฉะนั้นมุสลิมทั่วโลกนะไม่เคยมุสลิมเนี่ยไปอยู่ทั่วโลกทั้งในรัฐอิสลามและรัฐที่ไม่ใช่อิสลามไม่เคยมีประเทศไหนเนี่ยที่เขาเกียดมุสลิมถึงขนาดที่อย า, ากจะเผามุสลิมเผาใสิ้นซากไปเลยนะไม่มีแต่ยู่มีอยู่มีนะ คริสต์ด้วยกันนะมี้ีคาทอลิกนี่ที่เผาอโทดกเนี่ยในสงครามโคเซ่นะะคาทอลิกนี่มาจากยุโรปนะมานี่มาเจอยุโรปแต่วันออกนี่ยอโทดกเนี่โอ้โหฆ่าก่อนนี่จะมาฆ่ามุสลิมนี่ฆ่าโอโทดกสิ้นซากไปก่อนคาทอลิกแต่คริสต์ด้วยกันนะเออนี่มีมุสลิมมีอยู่ทั่วโลก อยู่ทุกที่นะนะก็ไม่เคยถึงแม้ว่าจะมีบางคนนะอาจจะเกลียดชังแต่ไม่ถึงขัานที่เกลียดแบบเกลียดแบบเออแบบที่ฮิตเลอร์เยอรมันนีาซีเนี่เกลียดมีวนะโอ้ไม่เคยประกฤตินะครับมันมีอายะห์หลังจากนี้เนี่ยอินบอมบ์อ่าสิ่งสำคัาคิมแท้จริงนอินบอมเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายานอายะห์หลังจากนี้เนี่ย ที่จริงผมตั้งใจว่าจะอธิบายสองอัยยานี่เพราะเราพูดถึงเรื่องสัญญาเรื่องสวนสวรรค์ซึ่งมันมีเรื่องรายละเอียดของสวนสวรรค์และการเจริญนาฏ mm hmm. อ, อาดนี่เั็นว่าอะไรและข้อแตกต่างระหว่างัดและก็ฟิรดาวส์ฟิรดาวส์ชั้นชั้นสวรรค์ฟิรดาวส์และถกลงฟิรดาวส์เนี่ยเป็นชั้นสวรรค์สูงสุดจริงหรือเปล่า เออดูมีทัศนคอื่นแต่เราเข้าใจว่าฟิด์เวส์เวลาขอดุอากันขอให้ท่านได้รับชั้นฟิด์เวส์สูงสุดแล้วขอว่ามันมีมันมีเดียวขอเฟิลดเวส์หรือเปล่าใครได้ยินไหมฮะ อ, อยากรู้ไหมมาทีกนี่มีคำถามไหมครับ